นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์กล้จากกิเลสตัสรูชอบได้โดยวพระองค์เองขอนอบน้อมแด่หงกูเทียนปรมาจารย์ในการเจริญสติขอนอบน้อมแด่หลวงพ่อใหญ่คำเขียนซึ่งธรรมาคิดว่าท่านก็คจะจบทุกเสร็จสิ้นกิสิทธิ์กเสก็ทำกิจดับทุกได้เรียบร้อยเหมือนกับหลวงพ่อเทียนแล้วนะ อันนั้นขอตระบายความเคารพเดี๋ยวหลวงปู่ค ง, กกงอาจารย์ทรงศิลปะเทระนุเถระมัชฉิมนาบกะแม่ธรรมเนรแม่ชีแม่ขาวอุบาสกอุบาสิกาผู้เจริญในธรรมทุกท่านขอให้ท่านยกมือไปเลยนะเพราะว่าพ่อคำเขียนท่านบอกว่าไม่ต้องยกมือใครประตูตรงก็ได้อันนั้นหมายถึงว่าจิตของท่านน่ะตัวรู้นะ่ะมันคล่องแคล่วแล้วมันคล่องแคล่วแล้ ว, ม, ว, ลวมันเห็นทั้งตาหูจมูกเลี้ยงอะไรมันกระทบมันเห็นหมดแล้ว เห็นยังว่องไวแต่เรานี่ต้องฝึกก่อนนะเราต้องฝึกก่อนฝึกให้เอาใจมาจับมารู้สึกที่มือเคลื่อนมือหยุดเนี่ยเดีนี้พอเอาเอาตัวนี้มาดูตัวนี้ใจน่ะมันจะไปดูใจเองมันจะยอนมันดูตัวมันเองอะนั่นแหละฝึกเพราะมันเป็นตัวรู้เนี่ยมันรู้สารพัดรู้รู้ผู้อื่นด้วยก็รู้รู้ตัวมันเองด้วยน่ะมันจะมองผู้อื่นแล้วก็ย้อนมันมองตัวมันเองที่ใจนั่นแหละเขาพยายามทำไปทำไปจนที่มัน มันจะเห็นสติเทศคือความรู้สึกตัวรู้สึกรู้สึกไปทีนี้เพราะมันจะเห็นตัวเผลอตัวหลงเทศเองเลยมันหลุดไปที่อื่นะอเห็นตัวคิดเทศอีกละนั่นแหละตัวคิดเทศตัวหลงเทศก็เทศเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องรักเรื่องชังเรื่องดีดียินร้ายไปแต่สติมันเทศมันจะเทศรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยรู้เปล่าเปล่ารู้บริสุทธิ์รู้ปกติรู้นิพพานใจว่างทุกเนี่ยเออมันจะรู้ตัวนี้ อัตติปัญญามันจะรู้ตัวนี้ถ้าตัวล่มตัวโง่ตัวหลงตัวกิเลสแล้วมันจะรู้ตัวที่ก่อให้เกิดทุกข์ก็ได้นั่นแหละอาจจะตัวนั้นเทศจริงๆเลยตัวเองเทศให้ตัวเองฟังทีนี้หลวงพ่อาก็เขียนท่านบอกว่าฝึกใหม่ๆนี่ก็ต้องฝึกท่าที่มันขั้นต้นขั้นหนักหน่วงขั้นหยาสซะก่อนคือยกมือขั้นต่อมาก็กําหนดรู้ลมหายใจนี่เป็นขั้นกลางแต่รู้ความคิดเป็นขั้นสุดยอดที่จะดับกิเลสได้ทั้งหมด ดับกิเลสอย่างจะแจ้งตัวลึกซึ้งได้ตัวยกมือนี่ก็ดับได้ตัวต้นๆอยู่แต่รูหายใจก็ตัวกลางๆถ้ารู้ความคิดเรามันจะดับกิเลสท่านลึกซึ่งได้ท่านพูดได้สมระยะนะท่านยกก็ได้ไม่ยกก็ได้หลวงพเทียนก็เหมือกกนกันท่านก็บอกว่าผมไม่ยกมือก็ได้ผมก็เดินโยกงก็ได้แต่ผมแสดงความขยันความขยันความอดทนให้เพื่อนดูจะได้เป็นตัวอย่างมาันจะได้เป็นตัวอย่างถ้าพูดอย่างนี้พอฟังเทพธ่ามาที่บูดีเทีย ยกไปทําไปเทเนี้ก็เรียกว่าจับความรู้สึกหลวงพ่อมันคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้นะพอมันจับแล้วมันไม่คิดนะมันสบายใจดีเราไปติดตัวสุขเนี่ยไอติดตัวสบายเนี่ยติดตัวเบาเนี่ยอติดเลยถ้าหาไอตัวหยาบหาบตัวกรีดตัวรุนแรงตัวทุกเนี่ยจะวางเฉยได้ไวขึ้นนแต่ว่าไอตัวสุกเนี่ยวางเฉยไม่ก็ได้ติดเลย มันติดมันไปพอใจยิ้มพอใจไปอีกนานกว่าจะกว่าจะถอนมารู้สึกตัวเฉยๆได้มันมันพาไปจังนานติดสุขแต่ทุกไม่เคยติดเท่าไหร่ตัวทุกตัวเดือดร้อนตัวตัวเหตุตัวหยาบเนี่ยตัวเร็วเนี่ยไม่เคยติดเท่าไหร่ก็จะวางได้ไววแต่ไอตัวสุขเนี่ไอตัวสงบไอตัวเนี่ยตีติดติดอยู่อย่าติดนั่น เคยรู้แล้วตัดขาดเดวมันก็เทียนว่าต่อไม่ติดติดตัดขาดก็คือดูดพ้นนั่นเองคือปล่อยวางมันนเอคือจิตเข้ากระทบความว่างจากกิเลสก็คือกระทบนิพานนั่นเองนิ่พานมีอยู่เป็นอนันตการไม่ปรากฏมาเกิดขึ้นไม่ปรากฏบรรดับมีอยู่เป็นนั่นแต่ว่าตัวกิเลสตัวโรคตัวโกดตัวหลงตัวภพมันมีชั่วขณะขณะที่จิตเผลอแค่นั้นเองแล้วก็ไปไปติดมันแล้วก็ไปเสพติดมันเข้าที่เราให้มารู้ตัว รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรูปเปล่าๆรู้ว่างๆรู้กลางๆรู้ปกติรูปบริทุตัวนี้ให้มาลุ่ยตัวนี้ให้จิตเรามาคุ้นเคยกับตัวนี้ให้มาเป็นเพื่อนกับตัวนี้ให้มาอยู่กับตัวนี้อยู่กับรู้ให้ใจอยู่กับรู้ซื่อๆรู้เฉยๆอยู่กับรู้อะไรพึกเข้าไปพุ่งแค่ชานาญพุ่งแค่คล่องแคล่วพุ่งแคเข้มแข็งขึ้นปุ๊บปัมาจะเยอใจมันจะตัวธาตรู้มันจะยอนมาดูตัวมันเองว่ามันรู้อะไร รยยู้ยินยดียิน้ายแบบวิ ด, ดพอใจไม่พอใจละความพอใจและไม่พอใจในโรคเสียได้โรค ก, ก็คือเนี่ยโรคตาโรคหูเนี่ยรูปกระทอบตาเกิดจักครูพิญญาเกิดความรู้ขออึ้นมาทำสามัญการเรียกผัสสะผัสสะผัสสะตัวนี้นะมันกระทอบแล้วก็แค่ผัสสะเฉยแต่ตัวจิตตัวต่อมามันกระทอบแบบนิ่มนวล เ ป, เป็นดีงามมันเกิดชอบขึ้นมาเข้าใจไหเป็นสุขขึ้นมาถ้ามันไอตัวกระทบมันหยาบมันก็เกิดโทสะขึ้นมาชางัชางชังคือไม่ยินดีก็ยินร้ายเลยพอใจไม่พอใจเลยมันจะเกิดขึ้นมาไอตัวที่ตัวแรกๆกระทบตัวแรกมันจะเฉยๆอยู่กระทบซืฉอๆอยู่ขณะต่อมานี่ยต่อมามันจะปรุงปรุงไปชอบปรุงไปชงังปรุงไปยินดีปรุงไปยินร้ายถ้ากระทบปั๊บเฉยกระทบปั๊บเฉยกระทบพั๊บเฉยเขาเรียว่า สินสมาธิปัญญาเราดีแล้วเข้มแข็งแล้วรู้ซื่อๆรู้เฉยๆปกติใจไม่โลภไม่กลัวอารมณใจปกติใจมีสิลเนี่ยเป็นสินพ้นทุกข์ด้วยนเนี่ยใจมีสมาธิสมาธิพ้นทุกข์ด้วยใจมีสติปัญญาเป็นปัญญาพอออกจากทุกข์ด้วยด้วยไปเล ย, เลย <ทะ S 1> พอไปยินดียินร้าติดแล้วติดสุขติดทุกข์ต้องไม่ติดรู้ว่าสุขก็เฉยไม่ติดรู้ว่าทุกข์ก็เฉยไม่ติดอนี้ยกวตัดขาดต่อไม่ติด ภาษาของพระเทวะ<ม>ก็คือหลุดพน้นนั่นเองหลุดพ้นจากอารมณ์หลุดพ้นจากกิเลสหลุดพน้ดพนจากสิ่งที่มาย่อยยวนให้ติดหลุดพ้นจากวัตถุ ก, กามกิเลสกามอะไรหลุดพ้นอ่ะก็ธาตุรู้จิตวิญญาณธาตุรู้จิตใจอ่ะคืธาตุรู้ธาตุรู้นี่มันไม่ใช่ตัวเรานะที่เราสวดอยู่แบบวิญญาณังอ น, นิจังวิญญาณก็ธาตุรู้ไม่เที่ยงวิญญาณังอนัตตาที่ไม่เที่ยงนั่นคือทุกข์แล้วนั่นมัน ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, ปนอนัตตา<ๆ>ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ตัวใครมันเป็นธรรมะฝ่ายสังขารธรรมฝ่ายปรุงแต่งทีนี้พันิพานเป็นวิสังวิสังขารอสัง ข, รงขตรธรรมเป็นธรรมะที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้กิเลสโลกคนหลงปรุงแต่งไม่ได้ทุกข์ปรุงแต่งไม่ได้เป็นที่ว่างทุกข์ว่างจากกิเลสอยู่นะเป็นความว่างที่อะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือคือตัวพันิพาณพันธิพานว่างจากทุกข์ว่างอย่างยิ่ง ว่างจากดีใจว่างจากเสียใจวางจากรักวางจากชังว่างจากกินดีว่างจากกินได้วางจากติว่างจากชมว่างจากสารเสื่อนีธาวางจากหัวเราะเลยร้องไห้ว่างจากโกรธจากกลัวจากก้มหมดเลยวางไม่มีเลยอันนี้ถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บยกมือยกขึ้นรู้สึกนะมีไหมตัวโกรธมีไหมตัวโลภมีไหมตัวหลงมีไหมภาษาพูดก็ไม่มีง่ายใจภาษามาตัวฉันตัวคุณตัวเธอสมมตินอะเป็นเนเธอร์เนจายชี่อะไรพระ ไม่มีเลยมันก็รู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้เปล่าเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์อยู่นั่นแหะยกเนี้ยให้จับตัวนี้ให้ได้นะไม่มีแล้วมันเผลอไปนะมันเผลอไปยกมือยกมือจะได้อะไรน่ะตัวโง่เกิดขึ้นแล้วตัวอยากตัวสัณหาเกิดขึ้นแล้วอยากได้อะไรก็ธรรมะฝ่ายรูปมือเนี่ยมันเป็นรูก ป, ประธรรมเป็นธรรมะร้อล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเข้าใจไหมไอ้ตัวรู้นา ม, มาทำนา ม, มาท่านก็เป็นธรรมะไปท่านรู้ร้อยอซ็อยู่แล้วก็ให้มารู้ธรรมะเฉย รู้สิลูกความคิดคิดโลภคิดโกรธคิดลงอ่านีคิดแค่นั้นกับเป็นธรรมะฝ่ายโง่ฝ่ายบาปฝ่ายชั่วฝ่ายเทอะถ้าคิดเราไม่โลภไม่โกรธไม่ลง ก, ก, ก็เป็นธรรมะท <c oughs> ี่ฝ่ายพ้นทุกข์ไปปากนียก็มันกันบาจ่าพูดออกมาก็เป็นธรรมะใช่ไะมเป็นธรรมะคิดรูปส่งเสียงออกมาถ้าพูดคําสัตว์คําจริงคำไปร อ, อดอ่อนหานคำสมานสามเณรก็เป็นธรรมะฝ่ายบาจ่าพ้นออกมาพูดออกมาเป็นไปเพื่อความคนทุกข์ใช่ไห พูดโกหกคำหยาบคำโสเสียดเพืาเจ้าได้หลายก็เป็นธรรมะฝ่ายบาปฝ่ายชั่วฝ่ายทุกข์เข้าใจไหมอันนี้เห็นอย่างนี้ได้เห็นธรรมะเนี่ยเห็นธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะแล้วก็ออกจากธรรมะได้วางธรรมะได้ด้วยใช้มือเท้าแบบรูปที่เป็นก้อนอันเนี้ยมือจับอะไรจับแก้วเหล้าหรือเปล่าจับไผ่หรือเปล่าจับเมเท่าจับรักของเขาหรือเปล่าตบตีใครหรือเปล่า น, น, น, นี่ก็มาเห็นใช่ไหมเ้าทํากับข้าวทาอะไร ที่โยมทำอยู่สักวันทำกับข้าวทําอะไรขึ้นมาทําความสะอาดอะไรขึ้นมาอันนั้นก็คือใช้ธรรมะมือเนี่ยธรรมารูปเนี่ยเป็นที่เป็นประโยชน์ไปหลวงพ่อคำเขียนพูดว่าคนที่มีสติปัญญาใช้ธรรมารูปทําประโยชน์ตงนั้ใช้กวาดวัดยังไงทำอันนันทำอันนี้เก็บของสกปรกอะไรเป็นที่เป็นทางเนี่ยคนมีสติเอใช้ธรรมารูปเนี่ยทำเป็นประโยชน์ขึ้นมาคนไม่มีสติปัญญาก็ทิ้งของเกะกะสกปรกไม่รู้จะเก็บไม่รู้จะกวาดไม่รู้จะดันเลยออ นั่นเลยว่ะคือเขาเรียกว่าธรรมะรูปธรรมะนามนี่ไม่มีสติไม่มีปัญญาอ่าไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรเลยอะไรควรเก็บอะไรไม่ควรเก็บอะไรควรรักษาหรือนะรครับรักษาไม่มีระเบียบเรียบร้อยในการคิดการพูดการทำเในการใช้การเก็บกันอะนี่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารูปนามโ ง, ง, ง, ง่โง่อ่าพูดอย่างนี้รูปน้ํามไม่มีสติปัญญาแะ้วเขากระจับใจโ อ, อ, อ, อ้รูปนามไปไปเห็นแก่ตัวเห็นแก่ เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมะที่วิฉาทิฏฐิเพราะกายกับใจเนี่ยเป็นธรรมะเป็นธรรมะล้วนเป็นรูปธรรมธรรมะอนิจจังธรรมะทุกขังธรรมะอนัตตาธรรมะไม่เที่ยงธรรมะเป็นทุกข์ทนยากธรรมะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นธรรมะล้วนๆที่เป็นเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นนี่ไปเห็นมาตัวเราตัวฉันเน่ยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวก็บาปที่สุดเนียโง่ที่สุดน่ต้องเห็นแก่ธรรมลูกประธรรมนามประธรรมทีนี้รูกประธรรมทีนี้ เมื่อเราเห็นคนเดินขึ้นมาเราจะไปว่าคนนะั้นคนนี้เราโอ้รูปธรรมรูปธรรมกาลังเคลื่อนไหวรูปธรรมกำลังทำกักบเข้านี่เราพูดกับใจเราเราเปลี่ยนสัญญาใหม่เ<ม>ข้าใจไหมเปลี่ยนสัญญาความจําเปลี่ยนความคิดใหม่มเปลี่ยนความคิดจากเป็นภาษาสมมติมาเป็นภาษาปัจจุบัเสียเปลี่ยนภาษาอย่างนี้เป็นภาษาเป็นภาษาธรรมเสียจะเป็นภาษามนุษย์จะเป็นภาษาพูดจะเป็นภาษาโลกให้เปลี่ยนเป็นภาษาธรรมะเป็นภาษาสติภาษาปัญญา ภาษาธรรมะเสียเปลี่นนไปลพูดก็เออนี่ท่านอาจารย์ทรงศิลนีพูดตาสมบูรเนี่ยนี่หลวงพ่อกมเ่ยที่พูดตามสมบุติหลวงพ่อกรมก็ไม่มีทรงศิลก็ไม่มีมีแต่สมมุติเรียกชื่อเฉยๆมีแต่รูปทานามทำอย่างอาจารย์ทรงศิลท่านมันมีทุกท่านทาประโยชน์เนี่ยเออลูกทำนามทำนี่มสติปัญญาอย่างพวกรมเนี่ยทประโยชน์ีรูปนามที่มีปัญญายถ้ารูปนามในขี้โรคขี้โกงขี้หลงขี้โมโหสูนเฉียวรูปนามนั้นก็รูปนามโงโหรูปนันไม่มีสติปัญญาเลย เนี่ยเห็นอย่างนี้นะแล้วก็สอนตัวเองแล้วก็อย่าไปสมมติอะอ้รูปน้ำรูปน้ารูปน้ำรูปธรรมธรรมธรรมรูปธรรมธรําธรรมเห็นอย่างนั้นนะทีนี้เห็นที่จะให้พ้นทุกข์อ่ะสักว่าเห็นเฉยเฉดีขนาดไหนก็สักว่าเห็นชั่วขนาดไหนก็สักว่าเห็นสักว่าดูเฉยเฉนี่ไม่ติดดีไม่ติดชั่วไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์ไม่ติดบุญไม่ติดบาปเห็นซื่อเห็นเฉยอันนี้เขาเรียกอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ปล่อยวางสุขวางทุกข์วางบา วางได้เลยไอ้ตัวปล่อยวางได้เนี่ยคือตัวหลุดพ้นคือตัวจิตที่เข้าไปกระทบพายในผ่านกระพบสภาวะที่ว่างทุกว่วางจากกิเลสวางจากตัณหาวางจากการนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยทาไปเนี่กขึ้นจากใจรู้เนี่ยรู้สึกเนี่ยทำช้าๆนิ่มๆเนี่ยก็ได้แล้วแต่หยุดก็ให้ชัดนะรู้รู้เนี่ยขณะหยุดก็ไม่มีตัวโลภตัวโกรธตัวหลงขณะเคลื่อนไหวก็ไม่มีตัวโลภตัวโกรธตัวหลงไอ้ตัวรู้ก็ไม่มีมันเผลอไปเลยเผลอไปคิดหลวงพ่อคำเขียนใช้ว่าลักคิด เผลอคิดขโมยคิดแอบคิดหมกคิดอยู่จมอยู่ในความคิดมุดเข้าไปในความคิดเผลอคิดรักคิดขโมยคิดเนั่นแหละตัวนี้เนี่ยตัวปุะดงแต่งคิดไปด้ความโลภคิดไปด้ความโกรธคิดไปด้วยความหลงความหลงก็คือคโงเโมหะนั่นเองโกรธก็คือเกลียดไม่พอใจเนี่ยถ้าโลภก็รักราคะความกำหนัดคิดไปด้วยความรักความชังแล้วความหลงหลงว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตเราเขาเน่คิดไปด้วยความหลงอันนี้ แค่มันไม่คิดมันปูไม่แต่งเลยถ้ามันคิดแบบ อ, นนอันนั้นรูปน้ำนะเนี่ยไอคิดแบบนี้ก็คิดคิดไปจําคิดไปในทางคนทุกข์เลยนะรูปน้ำรูปน้ำอนิจจังรูปน้ำทุกขงังรูปน้ำอนัตตาธรรมะอนิจจังธรรมะทุก ข, ขงังธรรมะอนัตตาธรรมะสังขาราเนี่ยเอยอเดีงยวพูดอย่างนี้พยายามเตือนตัวเองเขาเรียกว่าเราให้เงินให้ทองให้สิ่งของเสื้อผ้าอาหารเป็นฐานแต่เราไม่เคยให้ธรรมะเป็นฐานเลยนะให้ธรรมะเป็นฐาน ตัวเราตัวฉันเนี่ยให้ไหมไม่ใช่ตัวเราลูกธรรมนามธรรมเรียกเรียกให้สมมาตรเป็นฐานเข้าใจไหมให้ที่ใจให้มันเข้าไปดูให้ใจให้มันเปลี่ยนตัวจำให้มันเปลี่ยนตัวคิดสมัยเข้าใจไหมนี่เลาให้สมมาเป็นทางเอนไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ไม่ใช่คนบ้าน น, า น, านั้นบ้านนีตตนน้นั่นสมบงหณดนั่นลูปธรรมนามธรรมอาจารย์ อ, อ๋ออาจารย์ด้วยอาจารย์รบ นกพะวันเป็นศึกษารนเิเชนมาถามหลวงพ่อจำโยมได้ไหมได้ย่อชื่ออะไรรูปนามหลวงพ่อชื่อนัน้นสัญญาจำไม่ได้ไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่ารู้แน่ๆว่าโยมนี่คือรูปนามเขาหัวเราะกักกัก็บอกว่าเออถูกแล้วพวกนั้นจะบวกหลวงพ่อก็ได้ถามว่าชื่ออะไรชื่ออาจารย์อ้อยชื่อนกพะวันไปเจอกันที่ถ้าพวงโปะเขามาส่งรถหลวงพ่อจากน่านไป ที่เมืองเลยออกจาก้วเราจะไ ป, ไปะเข้ากับมฐานที่เมืองเลยไปช่วยอาจารย์อิทพระคูอิทธิสอนอธรรมะแล้พวพ่อก็เอาธรรมะแบบนี้ไปอบรมเขาอบอกว่าหายใจเข้าก็รู้เฉยๆไม่ต้องประพุทธหายใจออกก็รู้เฉยๆไม่ต้องประโททําอย่างนี้นะรูปเนี่ยในกันกสติอาณาปานาสติสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมนั่นก็คือรูปนั่นเองลมเข้าลมวอร์รูปอลำละเอียดมันเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ข้างในแต่ มือยกเท้ายกเนี่ยเป็นรูปอันหนักหน่วงรูปอันหยาบอันใหญ่อันโตน่อยเข้าใจไหมเป็นไปรูปเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นรูปอันที่มันเห็นได้ชัดไอ้รูปลมที่มันเห็นไม่ชัดมันเบาเกินไปแล้วมันก็ไม่มีสีไม่แสงมันมันไม่มีอะไรแต่มันมีความรู้สึกกระทบอยู่นั่นก็เป็นรูปเหมือนกันรูปเคลื่อนไหวอยู่ทีนี้อาการธาตุลมรูปลมอี่มือเนี่ยก็รูปลมเหมือนกันอาการเคลื่อนไหวนี่เขาเรียกว่า เป็นเป็นท่าคลื่นเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นเป็นลมนะเพราะลมทาให้เกิดเคลื่อนไหวอย่างลูกสูบมันสูบเข้าไปในเครื่องยนต์นะสูบขึ้นไปแล้วอัดลมอัดแอดเข้าไปแล้วก็ไฟปลุกเข้าไประเบิดตุ่มไอการระเบิดคือท่าลมนั่นเองแก๊สมันระเบิดนั่นเองกรดานลูกสูบลงมาแล้วก็มาหมุนรอให้เคลื่อนไหวไปกระจายไนั่นก็ท่าลมก็เรียกว่าไอภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอ่าบุคเมนต์อิเลเมนต์อิเลเมนต์ออฟบุคเมนต์อิเลเมนต์แปลว่าทาุเมนต์แปลการเคลื่อนไหวแอร์อิเลเมน ที่แอร์อิเลนเนี่ยถ้าภาษาบาลีอากาศก็ว่าสุญากาศแอ e ์ e ิเลเม i บินอิเลเมนบินก็คือล ม, อลมพัดไปอก็คืออากาศ3ามอย่างนี่คือธาตุลมนี่ที่เรากาหนดยกมือล้วก็่านลมเหมือนกันแต่ธาตุลมมั น, น, น, ม, ม, นมันมายกมาพัดให้มือเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดนี่นก็าเป็นลมมอั น, นลมอันหยาบอันให ญ, อใหญ่อันหนักหน่วงเข้าใจแต่ลมที่จมูกนี่มันมองไม่เห็นมันจะกระทบเฉยเคลื่อนไหวนี่อาจดูอากาศเคลื่อนไหวมันกายไหว ใจรู้สึกใจไหวใจก็รู้สึกมันหวไปไหนใจอ่ะใจมันไหวไปดินดีไหวไปอย่างไรมันเคลื่อนไหวเหมือนกันนะเรเรียกว่าบอดีมูฟกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไม MO ูฟใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปรักเคลื่อนไหวไปชังเคลื่อนไหวยินดีเคลื่อนไหวไปย่างไรก็เห็นมันก็ใับใจมาสิไอตัวที่เข้าไปดูเข้าไปรู้ไปเห็นเนี่ยคือตัวสติคือคือตัวปัญญาไอผู้รู้ผู้เห็นก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขามันเป็นตัว พุทโธใจรู Everest, ้ใจตื <It lived S 2> ่นใจเบิกบานเป็นตัวศ uh, ัสรู้ตัดสรู้แปลว่ารู้แจ้งตัดสรูกัดสรูจะรัดรู้รู้แจ้งรู้จะแจ้งแดงแจ๋นในอารมณ์รู้ซื่อรู้เปล่ารู้ไม่ปุงแต่งนะน่ะไอ้ตัวรู้ตัวนี้น่ะมันจะไปตัดไอ้ตัวโลคตัวโกดออกออกมันจะไปทาระตัวนั้นออกไอ้ตัวโรคตัวโกดตัวหลงตัวรักตัวชังตัวยินดีจนไร้ตัวยึดถือตัวตนเนี่ยมันจะไปสัตว์พวกนั้นออกนั่นเราเรียกว่าตัสรู้ไงนี่เราต้องฝึกที่เราฝึก ทุกวันน่ยก็ฝึกจัตสรู้เองให้เขามารู้ที่กายเคลื่อนไหวจะ แ, แจ้งแด้งแฉให้ประจัตสรู้มารู้ใจมันคิดยังไงเข้าใจมันนึกยังไงให้ตัวตัวนี้ให้รู้เท่ารู้ทันมันใช่ไนะรู้ตัวแรกรู้ตัวที่มันยังไม่ปรุงอ่ะเข้าใจไหมตัวนี้แหละที่ฝึกทุกวันทุก ว, วันหลวงพ่อคขาเขียนท่านบอกยกได้ปลยยกกันเลก็ท่านฝึกมาเชีช่ยว ช, ชาญแล้วใชฝึกมาจนกระทั่งดเป็นเองแล้วเป็นอัตโนมัติแล้วแต่พวกเรานี่ยังไม่เป็นอัตโนมัติยังไม่เป็นเองก็ต้องฝึกเข้าใจไหม ต้องฝึกเท้ากระทบพื้นก็รู้สึกมือยกก็รู้สึกมือหยุด ก, ก็รู้สึกกี่นพอใจมานึกมือคิด ก, ก็รู้สึกแล้วก็ให้กลับมันที่ความรู้สึกตัวทีเสีก็รู้สึกตัวทีเสียลงก็เถียนนวดนั่งรดดั่งล้อไปไหนก็เราไปต้องทําอะไรก็ได้เอาหัวไม่มือถูท้องมือเนี่ยงายมือขึ้นมือนึงมือถูไปแล้วก็ถูมากลับไปกลับมาก็ได้แล้ว่าพลิกความก็ได้เอามือที่จับที่ขาน่ยพลิกขึ้นพลิกลงพลิกตั้งแล้วก็ค้งคว่ำลง ตั้งขึ้นมาแล้วก็ความดุงแค่นี้ก็ได้เวลาไปไหนไปในที่ชุมชนท่านท็าปทำทนี้ก็ได้ท่านก็บอกก็ทแค่นี้หลวงพ่อผู้ทานงานมันเกิดของท่านหลวงพ่อเคยไปมาตั้งสองสามครั้งท่านเทศมือหนึ่งท่านจับหัวข้อสามะที่มันจะกว่าจะเลือกอามาพูดเนี่ยนะมือหนึ่งท่านถูเนี่ยทูขาน่ทูไปแล้วก็หยุดแล้วก็ทูกลับมาทูกลับมาทุกททั้งคืนนะถ้าไม่นอนหลับเทศเทศทั้งคืนนะคนฟังประมาณ500คนเนี่ยหลับไป200อคนตื่นอยู่300รอคน แต่พุทธะตื่นอยู่แต่ท่านสมาธิแบบเคลื่อนไหวเหมือนกันทำไมรู้สึกตัวรูปไปรูปมารูปไปรูปมาอยู่ยเนี่ยท่านก็ใช้หลักวิธีการเคลื่อนไหวกายรู้สึกกายส่วนไหนเคลื่อนไหวให้รู้สึกหมดนะจะกขมจะเงนื่อยกระดูกกระดิกตรงไหนมือสัมผัสตอ่อะไรกรรมแบอะไรรู้สึก ม, มันก็เข้าหลักลงวัเจียนนะแบบสัมพชัญญะปัฏพระพลงวัเทียนก็เอาเอาหลักของพวนฌานมาสอนกายส่วนไหนเคลื่อ น, ไ ห, นไหวให้รู้สึกใั้หมดนะกินข้าวเคี้ยวข้ารู้สึกหมดเลยนะ คือน้ำอะไรแม้จะจ ะ, จะคิดจะพูดจะทำจะนิ่ ง, งก็ให้รู้นะมันนิ่งไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องไปขยับขยายอยู่ดีไปดับเคลื่อนไปมันก็รู้อีกเลยนี่ไม่เชื่อยอมจึงยกมือมอย่างเงี้ยยกให้นิ่งนะบังคับเงี้ยไม่ถึงห้านาทีจะมือสั่นๆนองนะครับนั่นแหละทุกข์แล้วใช่ไหมเรียบทเรียนเราปิดเปทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์ นอนนานๆก็ทุกข์ยืนนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์อิริยาบถตัวเนี่ยตัวคือตัวทุกข์ทีนี้เราปิดบางทุกก็เปลี่ยนเนี่งเปลี่ยนปั๊บปับเปลี่ยนไปนั่งเปลี่ยนไปยืนเปลี่ยนไปเดินเปลี่ยนไปนอนลองนั่งนานๆสิทุกข์เนี่ยพูดตรงร้อเปอนตลยแบบความคิดเนี่ยก็ทุกข์คิดทุกข์อะไรอันนี้จังคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้ก็คิดเรื่องนั้นคําพูดก็เป็นอันนี้จังเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปมือยกกนี็เป็นอกิดตรรงเเป๊ะลยถ้าใคห็น ากายกับใจรูปกับนามเป็นอนิจจังทุกครังวิปัสนาเริ่มเกิดขึ้นแล้วหลวงพ่อเสดมาเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะเรเสร็จแล้วก็วิปัสนาคือควา ม, ร, มรู้แจ้งธรรมะรูปธรรมกายธรรมใจนะรู้แจ้งจนมันเป็นจรงิงม า, ปาเป็นอนิจจังเป็นทุกคังแต่วิปัสนาเริ่มเกิดขึ้นแล้วท่านบอเสร็จแล้วก็จะละความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงนี่หลวงพระเสดพูดเลยทีเมื่อกันเพราะว่าจิตมันมาจ่ออยู่ที่ความรู้สึกรู้สึ ก, ก, ก, ก, กมันก็ลืมโลภลืมโกรธลืมหลงไปเล มันตัดอะไรขึ้นมากระทบกับมันก็ต่อไม่ติดเลยนะมันมันจับทู่ที่นี่นะมันจับไปที่ความรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกเปล่ๆๆๆๆาๆทีนี้พออารมณ์มากระทบ <c oughs> ไปดีใจไปเสียใจไม่ผิดปกติแล้วผิดปกติอ๋อผิดปกตินะไปดีใจไปเสียใจไปรักไปชังไปยินดียินร้าพอใจพอใจผิดปกติแล้เข้าใจไหมไม่เป็นปกติแล้วนั่นก็จะเห็นใจไปเพราะเราคุ้นเคยกับจิตปกติเข้าใจไหมจิตเปลาปา่ปๆาๆจิตว่างๆเนี่ยอะไรใส่แก้วเข้ามาแก้วเปล่าๆเนีใสมันก็มองเห็นเข้าใจไหม น้ำเป่าๆก็ยังมองเห็นเลยใจมันต้องว่างๆอยู่อะไรใส่เข้ามาความโลบความโกรธความหลงใส่เข้ามามันก็มองเห็นเข้าใจไหมมองเห็นทริงๆไอตัวที่เข้าไปดูเข้าไปรู้ไปเห็นเนี่ยก็ตัวตาสรุตัวสติปัญญามันก็จะขับไอ้พวกนั้นออกไปขับตัวโลบตัวโกรธตัวหลงออกไปนี่แล้วพ่อเข้าใจอย่างนี้เข้าใจปฏิบัติธรรม่างนี้แต่ว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอยู่แล้วหลวงพ่อไม่เคยฟังเทศเลยไม่ฟังยกมือเนี่ยจิตมันก็ฟังอยู่ฟังอยู่แลรู้เรื่องหน่อยใชแล้วก็ยกมือทีร็เสรจแล้ว เมื่อจิตมันไม่ปรุงมัน ย, ยกปูรู้ซื่อเฉยสบายเนี่ยต้องคอะยกมือแข่งกับคนเทศเท่านั้ตั้งแต่เข้ากับสายลูกเทียนมาตั้งแต่นั้ก็เล ย, ลเลยรู้าะยกมือสร้างจังหวะหนี่แต่ก่อนเดินความคิดมันแทรกเข้าใกลได้ไวเกินไปต้องความเป็นคนใจเร็วคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วนะหันเดินช้าๆก็จะได้อารมณ์ดีมากเลยยกมือช้าๆนิ่มๆแล้วก็เดินช้าๆจะได้อารมณ์ดีได้อารมณ์อารมณ์ที่ไม่ปรุงแต่งอะ มันจะรู้ซื่ๆรู้เฉยๆรู้เปล่าๆเสร็จแล้วพอใจมันสบายเดินสบายนั่งสบายก็ได้ติดสบายติดสุขขึ้นมาติดสุขอันนี้ก็ยังติดสุขก็อยากให้รู้เฉยๆสบายเบาก็ให้รู้เฉยๆอันนี้เขาไปติียหน่อยก็ยินดีใจใจยินดีขึ้นมารู้สึกว่าติดรู้สึกว่าติดออกออกรู้จักวิธีออกอยู่แต่มันออกช้าหน่อยแต่ว่าตัวโลคตัวโกรธตัวหลงตัวทุกข์ออกได้ไหวขึ้นสังเกตเพราะอะไรไปอยู่กับความมหาไหลไปเดินจงกรม ไปเดินงกรมเจนหนึ่งสิกหนึงพระอาทิตย์มันสองร้อนอีกทีศหนึ่งมันเย็นลมมันพัดเย็นพอเดินไปซึ่งอาทิตย์พระอาทิตย์ไเผาใจมันเฉยแล้วพอเข้าที่เย็นๆลมมันพัดเย็นๆชื่นใจคือมาติดเลยยิ้มน้อยๆอยู่ใจัติดสุขคือเดินบนอยู่เงินเดิเดินเดินกรมเดินรอบกุติด้านหนึ่งทิศตะวันตกโดดมันสองแดดกําลังร้อนใบ ใบหนึ่งใบสองมันร้อนใบสามมันร้อนใช่ไหมแต่ฝ่ายหนึ่งมันเป็นเงาลมนกพัดมันก็เย็นสบายอ๋อเดินไปรู้ว่า ต, ต, ต, ติดสุกติดสุกจริงจริ ง, งยก14จังหวะมันมีแค่สองจังหวะกันเองจังหวะเคลื่อนก็รู้สึกจังหวะหยุดก <ส ức. S 2> ็รู้สึกรู้สึกไม่รู้สึกเดียวคือรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกเ่าถ้ารู้สึกยินดีรู้สึกยินรเป็นความรู้สึกของกิเลสเป็นความรู้สึกของตงโอ่แล้วเป็นรู้สึกของตัวบาป เป็นความรู้สึกของตัวทุกข์เหรอใจมาต้องรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เปล่าๆรู้ปกติรู้กลางๆรู้บริสุทธิ์รู้ล้วนๆอย่างเงี้ยไม่มีกิเลสไม่มีความคิดเกี่ยวกัคนอย่างเงี้ยตัวรู้ตัวเนี้ยเป็นตัวรู้ที่สะอาดสว่างสงบเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์เป็นตัวรู้ที่ว่าจากทุกข์อยู่ขจับไม่ได้ตัวเนี้จับเองนะรู้เองนะไม่ใช่รู้ตามคําพูดเราเอาไปพูดเอาไปคิดถึงไม่ได้ต้องรู้เองเข้าไปรู้สึกเองเหมือนชิมเรากินข้าวอิ่มแล้วอิ่มเสร็จแล้วเราต้องถามคุณแม่ลุงปู่ ผมกินข้าวอิ right? ่มหรือยังไม่ต้องถามผมเข้าใจอิ่มก็รู้ว่าอิ่มใช่ไหมอิ่มก็รู้ว่าอิ่มเองไม่ต้องถามอันนี้ก็เหมือนกันใจเราว่างจากความโลภความโกรธความมันก็รู้เองเลยไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีคิดนึกคิดบุงแต่กก็ต้องรู้เองเห็นเองปัจจุบันเรารอบรองตัวเองแคนี้คันหากว่าขนาดนี้ไม่มีความโลภมันมีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความรักมันมีความชังไม่มีความสะดุ้งกลัวนั่นแหละใจเรากำลังได้ชิมผลิตภัณฑ์ได้ชิมรสผลิตภัณฑ์อยู่ ลดฟังทุกนั่นเองเข้าใจไหมนั่นแหละกำลังได้สัปพัสอยู่แต่ว่าหนึ่งนาทีสองนาทีอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกว่าได้ชิมอยู่แล้วพลิตภัณฑ์มันก็แกงเตะหม้อเราได้กินสักตะพีนั่นก็ยังดีครับดีก็ไม่ได้กินเลยนะดีก็ไม่ได้ชิมเลยสัพพะละสังธรรมละโซชนาติหลวงพ่อครัเถียนทัพูลลดพระธรรมย่อชนะการรถทั้งปวงรดซื่อซื่อลดบทดีสุดเนี่ยชนะลดสุขชนะรถทุกข์เลยลดสุขก็ชนะลดทุกข์ก็ชนะอยู่เหนือหมดเลย แต่นี้เราให้ฐานให้ปัตถุสิ่งของให้ธรรมะเป็นฐานให้สติเนีเป็นฐานมันอยู่กับใจมั่งเเนี่ยให้ธรรมะเป็นฐานแก่ใจงให้สติเขาจะมด้วยการกระทําเองเรารูจะใหแต่คนอื่นคนอื่นแต่ไม่รู้จะใค้ตัวเองเลยให้อภัยตัวเองให้สะพายคนโกรธคนมาเราเนี่ยขอบคุณเลกถียนนะนั่นเลยให้ ให้ความปลอดภัยให้ความไม่โลภไม่กวธกระลงแล้วก็ให้ธรรมะเป็นฐานนะเข้าใจไหมไม่โกรธตอบไม่ด่าตอบนะไม่เครียดแค้นตอบนะไม่พยาบาดตอบอ้ให้แล้วเข้าใหให้ให้ที่ผ่านเลยอให้ความว่างทุกเป็นอารมณ์ไปเลยเข้าใจไหมแล้วสิ่งที้ใครได้ก่อนเหรครับคนให้ได้ก่อนสิตัวเราได้ก่อนได้ความไม่โลบไม่กวธไม่หลงได้ความไม่ทุกข์ยังไงได้ก่อนคนให้ได้ก่อน้คนรับเนี่ะก็แล้วแต่ถ้าคนรับฉลาดก็ได้แล้วคนถ้าคนรับโง่ก็ไม่ได้แล้ว ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ความวางทุกเลยมันอยู่ที่รื่ผัดสะตัวกระทบนี่แหละให้กำหนดเลยเดี๋ยวหลวเขียนทั้ง่านบาดผัดสะทั้งกระทบติงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกปปาาลิ่นรสพสผัสสะทำอารมณ์ดีขนาดไหนะชั่วขนาดไหนเฉยนะยท่านวัยอยู่แล้วก็ใจเพราะท่านฝึกมาพอแรงแล้วไอ้พวกเราเริ่มต้นต้องฝึกก่อนนะต้องฝึกการนจงกรมให้รู้สึกยกมือให้รู้สึกเลี้ยวซ้ายเลียวขวากลุ่มเงยให้รู้สึกแปลงฝันให้รู้สึกบีผมให้รู้สึก ทำกับข้าวให้รู้สึกเนี่ยพวกที่ทากับข้าว น, น้มือใช้ก็ก๊กเน่ยเอาสติไปใส่เลยตามน้ําพริกใส่สติลงไปหั่นผักใส่สติลงไปคน้นเมื่อข้าวใส่สติลงไปเนี่ยเลยการทํางานคือการปฏิบัติทําไปเลยได้สองต่องานก็ได้สติก็ได้ใครจะมาความพ้นทุกข์ก็ได้นะที่ที่คนอยู่เฉยๆบางทีลืมไม่ได้ทําำเลยประโยชน์ส่วนอื่นไม่ได้ได้แต่ประโยชน์ส่วนตัวบางทีเออได้ pareil, ประโยชน์ฝึกสติฝึก<ๆ>สติฝึกสติฝึกฝึกแต่ประโยชน์ส่วนอื่นไม่ได้ ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ทัานไม่ได้กระใจมาสักคนอย่างนี้ก็รับประก่ง ม, มากคนทํางานไปฝึกสติไปทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินกินเรศตายเสร็จทิ้งแต่ในตัวถึงหัวทีความปุ้งแต่งความโลภความกวดมันตายไปกหมดแต่รูปน้ำน ย, ยังอยู่หลวงพเขียนนะหลวเขาเขียนกบ่กไม่เป็นอะไรก็รูปน้ําก็มีอยู่รูปก็มีอยู่น้ําก็อยู่แต่มันได้เป็นอะไร มันเป็นรูกทำน้ำทำปกติให้เฉยมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ก็โรคผู้โกรธผู้หลงอะไรผู้ยินดีผู้ยินร้ายอะไรไม่เป็นอะไรเขาไม่ไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นกิเลสนั่นเองเข้าใจไหมมันก็เป็นธรรมะอยู่ในตัวเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะที่ไม่มีทุกข์อยู่อยู่ที่กายกับใจเนี่ยทีนี้กายเนี่ยมันระงับทุกข์ไปในชั่วขณะเตยเช้าเข้ามาก็เริ่มหิวข้าวนะทุกข์แล้วใช่ไหมทีนี้กระดับทุกข์ให้ให้กายระงับทุกข์ให้กายก็รับประทานอาาาหรเข้ไป กินน้ำคือมากระทุกอย่างเงี้ยเจ้ดื่มน้ำเข้าไประ ง, งับทุกข์ดับทุกข์ให้กายเข้าไปาต้องทํากายเนี่ยก็ต้องต้องกินยาดับทุกข์อยู่ต้องวันละสองครั้งสาครั้งนะแต่ว่าใจเนี่ยนะแต่ใจในถ้ามันเบาบางลงไปมัหมดมันจะไม่กลับคืนมาดับทุกข์ได้แค่ใจแก้จิตท่านรู้แค่นั้นเองเพราะว่าทา่ารู้ทค่นั้นเข้ากระทบปอนิพพานไนดะ้แต่กายกระทบอนิพพานไม่ได้กระทบความบางทุกข์ไม่ได้เข้าใชยแต่ใจทุกรู้จริงรู้เนี่ยแต่ท่านรู้เนี่ยนะ ถ้ารู้เนี่ยก็เรียกว่าบินญานธาตุบินญานเรารู้วิแบบว่าวิเศษรู้แจ้งแจ้งรู้ต่างๆรู้นานารู้วิเศษรู้อย่างยอดเยี่ยมนะครบินญานธาตุมันนั่นแหละธาตุมันธาตุไม่ใช่ตัวเรานะเป็นธาตุโลกธาตุดินมันแข็งมันไม่รู้อะไรธาตุน้ำเด่วไรเออบอบมันก็ไม่รู้อะไรธาตุล้มพัดไปพัดมาอากาศก็ไม่รู้อะไรธาตุดินน้ำลมไฟธาตุไฟมันร้อนมันก็ไม่รู้อะไร มันไหมอะไรมันก็ไม่รู้ว่ามันไหมอะไรมันก็ไม่รู้อากาศจธาตุสุญญากาศมันก็ไม่รู้อะไรมันนี้มันมีธาตุรู้ขึ้นมาคือจิตวิญญาณเน่ยตัวรู้ตัวเนี้ยมันรู้เสร็จแล้วมันก็มายึดเอาตัวรู้คือตัวตนคือตัวเรานี่แหละมันโง่ตัวนี้มันโง่ตัวนี้กาเรียกว่ามันยังไม่ฉลาดเออธาตรู้เป็นเป็นธรรมะตามธรรมชาติเฉยเป็นธรรมะตามธรรมชาติเป็นสภาวะธาตุตามธรรมชาติเฉยพระโมคคลาแสดงฤทธิ์ได้ห่อเคลื่อนอากาศยังไงก็ไม่รู้บอกแสดงฤทธิ์ได้ขับผอผอกับพระเจ้าเลย ฟังเรื่องธาตุเนี่ยธาตุดินนะของแข็งแขธาตุน้ำนะธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุหกธาตุเป็นสัพพธาตุตามธรรมชาตินวัตชศาตร์บุคคลตัวตัวพวกเขานฟังแค่เนี้ยสำเร็จอรหันเลยสำเร็จมาเจวันก่อนพระสานีิบุตรประสานิบุตร15วันะสำเร็จอรหันเลยเจนนี่ก็มีผู้หญิงคหนึ่งที่หลวงพ่อเขาพูดอยู่เลยวชิราเทวีพิสุณีจะเป็นสาวสาวอยู่เลยวาฟังพระเจ้าเททุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอดับอะคนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอดับนี่แหละจับได้แค่นี้เลยปั๊บเลยสําเร็จอรหันเลยอไม่ให้ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวอะไรเกิดขึ้นในใจเลยไม่ให้เกิดตัวสติมาจับดูที่นี่เลยมาจับดูที่ใจเนี่ยที่กายเนี่ยมาจับดูโอ้ทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้ในพุกงนั้นตั้งอยู่ทุกข์้งนดับนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเนี่ยเอาที่ใจนะที่กายมันก็ทุกข์อยู่เ่ี้ยหิวข้าวหิวน้ำอยู่เงี้ยท ที่นีทุกเกิดสิริพระอัญญากอนทะกะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับแต่ไปธรรมนั่นก็คือไอ้สิ่งนั้นก็คือธรรมะธรรมะนั่นก็คือทุกข์ห่ือาการทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เรียกว่าทุกข์หัวเราะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับหัวเราะก็ทุกข์เหมือนกันร้องไห้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปร้องไห้ก็ทุกข์เหมือนกันลุกเมตเสียใจกระพุ่นดีใจก็บบาอกมืนนัทุ บาดีใจบ้าดเสียใจะก็บาบ้าคือโง่นัวเองคือทุกตัวเองนะหลวงพ่เสียจพูดชัดดีใจหัวเราะก้าวก้ากับก็ทุก้อร้องไห้กระทุกเหมือนกันเออก็คือมันมันเกิดขึ้นเนียอารมณ์มันเกิดขึ้นที่กายที่ใจอ๋อทุกข์ขึ้นร้อนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์มันเกิดที่ใจที่กายใช่ไหะทุกข์ทั้งอะไรที่มันเกิดขึ้นสภาพว่าอิไรมเกิดขึ้นที่กายกับใจเป็นทุกข์ทั้งหมดนะแต่ั้นก็หัวเราะกบทุกข์เหมือนกัน เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปร้องไห้เกิดทุกข์เกิดทีนี้ะต้องพระหัวเราะมันเด็กร้องไห้ก่าพระแยกก่อนที่จะับหนังสือคุ้มทรัพย์จะผ่อนพระร้องพระร้องเพลงคือพระร้องไห้ก่อนพระหัวเราะเหมือนก็เด็กเสียเขี้ยวยึ้มเหมือนกันอนั่นแหละเขาพูดแบบนั่นก็คือก็คืออารมณ์ที่มันยังติดอารมณ์อยู่มันยังติดอารมณ์มันยังร้งอารมณ์อยู่มันยังโง่อยู่นั่นแหละที่พระก็ต้องคิวเฉยๆไม่หัวเราะ ไม่ลองไห้ไม่ดีจะไปเสียใจได้เฉยๆนั่นแหละกิดพ้นคนอารมณ์ยนอารมณ์อารมณ์ปรุงแต่งให้ให้สแยตให้ยิ้มให้หัวเราะลองให้ไม่ได้ให้เกิดทุกข์ไม่ได้ก็อยู่ซื่อๆอยู่เฉยๆเนี่ยซื่อๆเฉยๆไอ้ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง่ไม่ทุกข์มันมีอยู่เป็นอนันตการเลยนะไอ้ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันโผล่ขึ้นแป๊บๆชั่วครั้งชั่วคราวที่สติไม่มีแค่นั่นเองที่ความรู้สึกตัวไม่มีแค่นั่นเองเข้าใจไหมมันเกิดขึ้นตรงนี้แค่ไหนเอง มันแทรกเข้ามาเ<ส>กิดขึ้นเพราะความโง่ความหลงเลยทีนี้เราเราไม่โง่เราไม่หลงเราไม่รู้อยู่เฉย ร, รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันรับบนั้นคือไปทีนี้รู้สึกตัวเนี่ก็เรียกว่ามันมันมันเราฝึกตัวนี้ก่อนทีนี้ตาเห็นรู้ปั๊บรู้หูฟังเสียงรู้จบบมูกร้อกลิ่นรู้ลิ้นร้รู้กายสัมผัสเย็นร้อนออแข็งรู้ใจทำารมรมความนึกคิดเหมือนกับฝนันขึ้นมาก็รู้ไอตัวรู้ตัวแรงอ่ะมันจะรู้รู้ซึ้งรู้เฉยเรู้บริสุทธิ์เรยเขาเรียกว่า บอกภาสละมีทังจิตั่งจิตตัวแรกมันผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดอยู่จิตตัวต่อมามันต้องปรุงเข้าใจไหมถ้าอารมณ์สวยๆมันกระทบมันนิ่มชอบเนาะรักเครื่อติดสุขน่ะอารมณ์หยาบๆมันกระทบเกลียดโกรธนะก็คือนั่นก็คือชั่งเลยเข้าใจไหมไม่พอใจนั่นเองมาเกิดแล้วทุกเกิดแล้วเข้าใจทุกทีนี้ก็ทุกองค์ก็รู้อยู่แล้วดีใจเสียใจรักชังก็รู้ตัวเองอยู่มีอยู่ใช่ไหมหัวเราะกากลกร้องไห้อยู่น่ะนั่นแหะเวลาเจอกันเราพูดเราคุยกยน ผู้เจ้าบอกว่อย่าให้คุกคีได้หมูขคณะคุกคีมันก็พูดกันแต่สมมติเท่นะมุดมุดอยู่ในสมมตินะขุนชันท่านเธอน่ะไปไหนมาไหนเที่ยวเนี่ยไปจิตสมมุติหมดเลยทีนี้โลกนี้สวยงามตัวราชรถคนเขาย่อมมกอยู่คนโง่เขาน่ะเข่าเย่ามกอยู่ผู้รู้หาข้องอยู่ไราชรถน่ยมันแต่งมันสวยสวยสวยพวกราชรถเนี่ยเดี๋ยวก็ขี้แมงวันจับไอ้นั่นจับเลยแมงเมาจับฝุ่นจับเลยโต้เช็ดเลยเชื่อไหม โลกเนี่ยมันสวยงามอยู่ราชรถัผลสุดท้ายมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนิจจาเน่าเหม็นสกกรกอยู่ขณะนั้นทุกทีแต่คนคนโง่คนไม่มีสติปัญญาก็เขาไปติดอยู่หมกอยู่บกเลยด้วยความสวยความงามเข้ามาแต่นีคนครู้น้ำมันมติดแล้วโอ้ยราชรถก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนิจตาเขาต้องเสื่อมไปต้องพูพังไปงั้นต้องเป็นไปอื่นอย่างนั้นไม่มีตัวไม่โดนแท่งแท้เทวันอะไร เข้าใจไหมรู้อย่างนี้ไม่ติดอยู่ผู้รู้หาข้องอยู่มันคือพ้นทุกข์นะพ ก, การติดนะ ต, ดดติดส่วนจิตงานติดสุขติดทุกข์เกี่ไม่จิตครับอยู่เนื้อหมดเลยแต่ทําอยู่ <c oughs> แต่ว่าเมื่อปลปล่อยวางอนะความชั่วไม่ทําคือปล่อยวางดีต้องทำํำขอมีคุณมีประโยชน์ต้องทําแต่จะติดมันอย่าหลงมันเข้าใจไหมที่หลงมาที่นี้กับวัสรุปทาใจให้บริสุทธิ์เลยใจบริสุทธิ์นะมันจะทำให้าาละชั่วยิ่งทาดีอยู่ในตัว ใจบริสุทธิ์ใจสะอาดใจสว่างใจสงบใจไม่มีทุกข์เนี่ยคือใจฉลาดที่สุดตอนนี้มันจะมาสอนเองนะการฝึกใจก่อนใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสิ่งทั้งหลายสําเร็จได้ที่ใจนะจะฆ่าเขาในใจมันฆ่าก่อนแล้วจะด่าเขาใจมันด่าก่อนยปากมือถึงทําตามเข้าใจไหมอ่าใจถึงก่อนนั่นแหละที่เราสวดเมื่อกี้นะที่อาจารย์สุรินทร์พาสวดเมื่อกี้ใจมันถึงก่อนนะใจมันไวเข้าใจไหมจะด่าก็ใจด่าก่อนอ่าจะรักก็ใจรักก่อน จะโกรธกระจใจโจทย์ก่อนเลยน ะ, ะจะทําร้ายกระจทําำร้ายก่อนปา ก, ปากมือคือทําร้ายทีหลังตามไปเขาคุมไม่อยู่คุมอารมณ์ไม่อยู่ อ, อันนี้ก็เหมือนกันเรามาฝึกเนี่ยมาฝึ ก, กอยอดธรรมะให้ทําตรงๆเลยทําอะไรการทําบุ ญ, บญคือหลวงวเสียรบุญคืออะไรบุญคือตัวรู้ไม่ทุ ก, ทกรู้ก่นทุกบาปคืออะไรคือไม่รู้เป็นทุกเลบาปถ้าเราทุกเราไม่รู้เราหลง นี่นกับบาปแล้วใครถ้าเรารู้เราไม่ทุกเนะ่ยนั่นคก็บุญแล้วนี่บุญคือไม่ทุกบาปคือทุกบุญคือรู้บาปคือไม่รู้คือหลงที่เรารูส้สึกตัวรู้สึกตนะัวนั้นไม่บุญเลเพราะว่าตัวโลคตัวโกตัวหลงมันเข้า ม, มาแทร ก, กไม่ได้อเข้ามาแทรกไม่ได้ทีนี้ถ้ามันโลคมันโกตมันหลงอยู่ตัวรู้เข้าไปเห็นไ อ, ตอ้ตัวโลคตัวโกตตัวหลงก็ถูกปัดออกไปถูกปัดกวาดออกไปเนี่ยฆ่าอะไรไม่บาปฆ่าความโกตไม่บาปแต่ ความโกรธฆ่าฆ่าไปถึนไหนก็คือสติเขาไปเห็นอะไรเอนี่ยตัวฆ่าตัวทําลายตัวปัดออกไปตัวกำจัดออกไปต้องฝึกตัวรูใว้ให้คล่องแคล่วงไปต่อไปไอ้รู้เพราเขียนเขบอกไปต้องยกมือตัวทํากันได้ก็ตัวรู้ท่านคล่องแคล่วเป็นอัตโนมัติแล้วมันจะเข้ามาทางไหนรูปเสียงกลิ่นรสประสาทปะเข้าทางตาหูจมูลกลิ้นกันรู้แล้วปั๊บทันทีแล้วรู้แก็เฉยเลย ใจปกติใจไม่ยินดีที่ร้าไม่รับมาชัางนั้นท่านฝึกมาพอแรงแล้วแต่พวกเราเป็นขั้นตน้นเขียนกอไก่ขอไข่ก็ต้องฝึกก่อนจะเอากอไก่มาผสมใส่สลีนองรู้สะกดกินต้องรู้วบทีหลังกินต้องรู้บทหลั ง, ต, ง, ลงต้องเขียนก่อนอพอเสร็จแล้วกับเขียนได้ไวขึ้นปุ๊บปุ๊บตอนแรกก็เขียนช้าๆตัวบรรจงเขียนเหนือเสร็จบรรทัดใต้ตเหนือทุกท่าตัวโยน่าโยหลังพอเขียนจนานาแล้วมันก็ตัวอยู่ในบรรทัด ต, ตัวตรง สะสวยดีเนีเขียนหนังสือพยายามอัดเขียนให้มีสติหน่อยเขียนสวยๆหน่อยหรวงพ่อเคยได้ดีครูดาวลายมือหมาเหมือนกันเขียนข้นขอสอบเขียนเอาไปตรวจครูอ่านไม่ออกลามือหมาเหมือนกันด่าหลงพ่อด่าคนอื่ น, น, นดวน้วยเส็นนจแล้วหรวงพ่อเลยขัดเขียนหนังสือตัรงๆเขียนสวยๆขึ้นมาพราะได้ดีได้ดีเพราะขอบคณขอขุณขอบคุณคนด่าขอบคุณอาจารย์ด่าหลวงพ่อเขาเขียนเนี่ยแค่ขอบคุณ ขอบคุณความทุขขอบคุณความโกรธขอบคุณคนด่าขอบคุณครับจะได้กลับได้ถ้าเราไม่โกรธเทนัเออใจแรงว่าคนที่เทศบวตเราเนี่ยคนด่าเทศบวตเราเราไม่คุณนะถ้าคนสรรเสริญสรรเสริญเราเราไม่เราไม่หลงสรรเสริญเราไม่บ้าเหอสรรเสริญมืกนคนด่าคนสรรเสริญคนสรรเสริญเทศบุตเราเนี่ะวันเป็นเครื่องวัดว่าใจเรายังมันปกติไหมหรือมันผิดปกติปกติผิดปกติไปรัก ไปปกติไปชังยินดียินร้าหรือเปล่าอ่านี่เขาเรียกว่าสิ่งที่มากระทบตัวเนี่ยเป็นอาจารย์สอนเราทันทะีว่าเราอยั ง, อยงโง่ยังติดกิเลสอยู่กกหรือเปล่าติดทุกข์หรือเปล่าแต่เราถ้าเราไม่ไม่ติดยินดีไม่ติดยินร้ายไม่ติดรับไม่ติดชังนั้ใจเราเดินตามพระพุทธเจ้าวไว้แล้วเข้าใจมพระพุทธเจ้าคืออะไรคือใจไม่มีทุกข์ น, นี่ใจสะอาดใจสว่างใจสงบใจบริสุทธิ์ใจไม่ทุกข์นี่ผู้ใดเห็นตัวนี้เห็นพุทธเจ้าเลยนะอ่ทีนี้เขาเรียกว่าเห็นปฏิสัมบารปฏิปฏิจะสัมภารกัน อาศัยการเกิดขึ้นอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณไปเกิดเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดสลาจตณะสิบสองตาหูจมูกสลาจรณะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวชนะให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดพบพบไปเกิดชาติชาติตัวนี้ก็คือเกิดชาติโลภชาติโกรธชาติหลงชาติตัวกูชาติตัวเมือง นี่แหละชาติเกิดตัวนี้นะจริงเราไปเอาแต่ชาติเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ตัวนึ่งอันนั้นเกิดทีเดียวแล้วก็ตายทีเดียวเห็นไหมแต่ไอชาติชาติโรคชาติโกรธชาติโรคชาติอิจฉาชาติตัวกูตัวมึงเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยชาติโง่เนี่ยมันเกิดบ่อยๆเกิดวันนึงไม่รู้กี่หมื่นครั้งที่เคยใครพูดว่าเขาคำนวณว่าความคิดของเราเกิดวันละหมื่นกว่าครั้งเหมือนกันใช่ไหมเกิดชาติชาติโง่ชาติโรคชาติโกรธชาติโรคชาติกิเลสคือเกิดความคิดขึ้นมานั่นแหละ เกิดว่าน่าเหมือนกว่าครั้งมั้งเขาเขาใช้คอมพิวเตอร์คำนวณเราเหมืนทีนี้แต่เรามายกมือเนี่ยเราควบคุมความเกิดเข้าใจไ่มความเกิดเป็นทุกข์เราไม่ให้ตัวชาติโรคชาติโกรธชาติหลงมาเกิดขึ้นนี่คือให้มีแต่ความรู้สึกซื่อๆที่บริสุทธิ์เนี่ยเนี่ยให้มันว่างอยู่ไม่ให้ตัวโรคตัวโกรธเกิดให้ใจเราว่างอยู่เข้าใจไหมรู้ซื่อๆรู้เฉยๆไม่ควบคุมนี่เรามาทําก็เลยว่าควบคุมการเกิดก็เียกว่าก็เรียกว่าอะไรอ่า ควบคุมการเกิดควบคุมการเกิดของกิเลสที่เนี่ยไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาไม่ตัวโลภตัวโกรธตลไม่ให้ความคิดมันเกิดขึ้นมาให้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เปล่าๆรู้เฉยบนสุดเนี่ยรู้ปกติเนี่ยตัวนี่ยเป็นตัวรู้ที่สะอาดสว่างสงบเป็นตัวรู้ที่พ้นทุกข์พ้นปัญหาอ่ารู้อย่างนี้นะรู้ดีใจรู้เสียใจรู้รักรู้ฉันเป็นตัวรู้ของตัวโง่ตัวโลภตัวโกรธเป็นตัวรู้ของตัวกิเลสอ่ให้เข้าใจนะอ เขาจะโอ้โหกินเวลามาตั้งนานนะขอเอาไว้นะขอให้ท่านจัดดวงท้งหลายจงมีดวงตาปัญญานะตาปัญญาเขาเรียกตาธรรมะวิทนะต้อมอายธรรมะอายเวอรนะ์แล้วก็เห็นอารมณ์อารมณ์ทางกายอารมณ์ของรูปเนี่ยแล้วก็เห็นจะแจกงแดงแจ้ ง, แ, จ ง, แ, จงแล้ครับให้มีความพ้นทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนน้องปู่เทียนเหมือนน้องปู่คาเขียนด้วยกันทุกท่านเพน